ใช้เน้นแดงนะในประเทศอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาก็จะมีธรรมเนียมนะนั่งล้อมกองไฟสนทนากันเพราะสมัยก่อนนี่มันไม่มีไฟฟ้ามันไม่มีสิ่งบันเทิงเรืองรมนะเาก็นิยมนั่งล้อมกองไฟแล้วก็ ใช้โอกาสนี้สนทนาการปรึกษาหารือกันบางทีก็สอนลูกสอนหลานนะเหมือนกับคนไทยสมัยก่อนก็ใช้เวลากินข้าวเนี่ยสอนลูกสอนหลานเรื่องที่เล่านะก็มีมากมายหลายอย่างก็มีคราวหนึ่งนะโป้เนี่ยก็เล่าเป็นทํานองอุปมาอุปไม้นะ ให้หลานตัวเล็กๆฟังนะบอกว่าเนี่ยในตัวเราเนี่ยหรือในจิตใจของเราเนี่ยนะมันมีหมาป่าอยู่สองตัวตัวแรกนี่ก็เป็นหมาป่าที่มีความมินิสัยเกียร์ชังนะขี้โมโหขี้อิจฉามีนิสัยโลภนะเห็นแค่ตัวอีกตัวหนึ่งนะ เป็นหมาที่มีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อดทนอดกลั้นเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลสองตัวนี่นะมันจะคอยต่อสู้กันอยู่ในใจของของหลานนะนะหลานก็จะถามว่าปู่แล้วตัวไหนที่มันชนะละ่ะปู่ก็ตอบว่าก็ตัวที่ เธอให้อาหารมันไงตัวไหนที่เธอให้อาหารมันไอตัวนั้นแหละมันจะชน ะ, นะก็คือถ้าให้อาหารแก่หมาป่าตัวที่ขี้โมโหโกรธเกลียดเห็นแก่ตัวเนี่ยให้อาหารมันบ่อยๆนะมันก็จะชนะอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าให้อาหารให้กับตัวที่มีนิสัยเมตตาเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจเย็น จะอดกลั้นเนะี่ยตัวนี้ก็จะชนะอันนี้มันก็เป็นคําสอนที่ลึกซึ้งนะเพราะว่ามันที่เห็นว่านิสัยใจครของคนเราเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่การกระทาของเราเราจะมีนิสัยขี้โมโหหรือว่าเราจะมีนิสัยใจเย็น เราจะมีนิสัยเห็นแกนตัวหรือว่ามีนิสัยเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแพ่มันอยู่ที่ตัวเราเองนะบางคนก็ไปโทษพ่อแม่บางคนไปโทษสิ่งว่าล้อมาที่เราเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งแวดล้อมเพราะพ่ อ, พอแม่ น, นั้นๆก็เป็นมีส่วนนะแต่ไม่ใช่ส่วนสำคัญนะส่วนสำคัญก็คือตัวเราอยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่การนึกคิดของเรา ให้อาหารเนี่ยนะมันไม่ได้ให้อาหาราทางปากนะแต่มันมถึงการให้อาหารด้วยการคิดนึกอาจะคิดดีคิดดีคิดเมตตานะมันก็คือให้อาหารหมาป่าตัวที่สองถ้าเป็นคนที่ชอบคิดลบเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์มันก็คือการให้อาหารกับหมาป่าตัวแรก แล้วจริงๆเนี่ยมันยังมีความหมายที่ลึกไปกว่า น, นั้นนะมันหมายความว่าถ้าเราไม่ชอบหมาป่าตัวแรกคือหมาป่าที่ตัวที่ขี้โมโหเกียดชังเฉ่งแกตัวเราไม่ต้องไปทําอะไรกับหมาตัวนั้นน่ะ น, นะเราก็เพียงแต่ดูแลบํารุงนะหมาตัวที่สองหมาที่มีนิสยัยใจเย็นเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เนี่ย ถ้าเราให้อาหารหมาตัวนี้นะเดี๋ยวมันก็ไปจัดการกับหมาตัวแรกเองอันนี้มันมีความหมายที่อลองพิจารณานะเพราะคนเราเนี่ยเวลามีนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบเนี่ยนะหรือแม้แต่มีอารมณ์บางอย่างที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็มักจะไปพยายามกดข่มมันนะยิ่งคนที่ศึกษาธรรมะ หันมาปฏิบัติทำนะพอมีความโกรธความเกลียดความเห็งแก่ตัวความโลภหรือแม้แต่ราคะสิ่งที่มักนิยมทำก็คือไปกดไปข่มมันเอาไว้นะที่จริงไม่ต้องทำอะไรกับมันนั้นนะก็แค่ใบบำรุงส่งเสริมนิสัยส่วนที่ตรงข้ามความเมตตาความเอื้อเฟือ้อความใจเย็นนะมันเหมือนกับว่า มีน้ำเน่าอยู่น้ำเน่าเนี่ยเราไม่ชอบมันส่งกลิ่นเหม็นนะมันอยู่ในในคลองหรือในหนองก็แล้วแต่หรืออยู่ในคูนถ้าเราไปวิดน้ำออกนะมันเหนื่อยนะวิดน้ำออกเนี่ยเหนื่อยมากแต่ถ้าเราใช้วิธีใหม่คือปล่อยน้ำดีเข้าไปน้ำดีมันก็ไล่น้ำเสียออกไปเองนะ เราจะไปขับไล่ความมืดเนี่ยเสียเวลาเพียงแต่เราจุดเทียนให้แสงสว่างสาสองกไปแสงสว่างก็ไปขับไล่ความมืดเองนิสัยอกุศลเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะเราเพียงแต่สร้างตัวกุศลขึ้นมาตัวกุศลเนี่ยก็จะเข้าไปจัดการนะกับตัวอกุศลเช่นถ้าเรารู้จัก ให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะพยายามเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอเนี่ยให้ความเมตตาเนี่ยนะมันก็จะไปขับไล่ตัวตัวโกรธตัวเกลียดนะออกไปจากใจเราเราไม่ต้องไปกดขม่มไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับความโกรธความเกลียดหรือนิสัยนี้นะเราเพียงแตนะ่บำรุงส่งเสริมนิสัยใหม่ อันนี้เรวาให้อาหารให้อาหารหมาตัวที่สองไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องไปสู้อะไรกับหมาตัวแรกลรดเพียงแต่เพิ่มกำลังให้กับหมาตัวที่สองมันก็ไปจัดการเองที่จริงในใจเราเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็จะเปรียบไปเนี่ยมันก็มีอยู่สองตัวนะไม่ใช่หมาป่านะ แต่มันเป็นตัวดำกับตัวขาวตัวดำก็คือตัวหลงตัวขาวก็คือตัวรู้มันก็คอยต่อสู้ขับเคี้ยวกันนะถ้าเป็นอิจฉาแดงเขาก็เรียกว่าหมาป่านะแต่ว่าถ้าเราพูดแบบพูดพูดง่ายๆก็คือนะมันตัวดำตัวดำก็คือตัวหลงไอ้คำว่าหลงเนี่ยมันก็รวมไปถึงโลภโกรธนะอิจฉาพยาบาท รวมถึงความเศร้าส้อยนะส่วนตัวรู้เนี่ยนะก็คื อ, อความรู้ตัวรู้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความโปร่งเบาแล้วก็เป็นที่มาของความเมตตากรุณาเป็นที่มาของความเสียสละเป็นที่มาของความเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ในใจเราเมันก็มีการต่อสู้กันระหว่างตัวหลงกับตัวรู้ ถามว่าตัวไหนชนะนะอ่าก็ตัวที่เราให้อาหารมันนั่นแหละนะอย่างที่พูดเท่านะชาวอินเดียนแดงก็บอกให้อาหารหมาตัวไหนตัวนั้นก็ชนะถ้าเราให้อาหารตัวหลงนะบ่อยๆมันก็ชนะตัวรู้นะให้อาหารตัวหลงก็เป็นยังไงก็คือปล่อยใจลอยฟุ้งชอบคิดฟุ้งซ่าน แล้วก็ปล่อยใจลอยเสร็จแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์รวมทั้งการที่เราไปอยู่ในเสียงแว่ล้องที่มันกระตุ้นเราให้เกิดความหลงให้เกิดอารมณ์ที่เป็นอกุศลน ะ, ะเช่นไปดูหนังที่มันทำให้เราหลงเพลินหนังที่มอมเมารายการโทรทัศน์ที่กระตุ้น ราคาโทสะหรือความงมงายเนี่ยอันนี้คือการให้อาหารมันแต่ถ้าเกิดว่าเรานะ่มันจเจริญความรู้สึกตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเนี่ยมีสติรู้ตัวอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เหมือนกับเรา กำลังให้อาหารนะตัวรู้เรามาปฏิบัติธรรมนะีก็เปรียบเส ม, มือนว่าเราต้องการที่จะให้อาหารตัวรู้ให้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวหลงมันก็ไม่ใช่ว่าจะยองมง่ายๆนะมันก็จะคอยชวยโอกาสนะขณะที่เรามาจเจริญสติ กาที่เราทําความเพียรเพื่อสร้างตัวรู้มันก็คอยช่วยโอกาสตอนที่เราเผลอเนี่ยเช่นระหว่างที่เราสวดมนต์นะสังเกตแม่ใจลอ ย, ยใจลอยไปนน่นจะลอยไปนี่โดยเพราะถ้าเกิดเราท่องจํำบทสวดมนต์ได้เนี่ยโอ้ใจมันจะลอยง่ายเลยนั่นแหละหลงแล้วล่ะเราสวดมนเพื่อที่จะเพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นนะสวดมนเพื่อที่จะ เกิดปัญญาด้วยการใคร่ครว น, นะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่แสดงความจริงให้เรารับรู้แต่ว่าบางทีเราสวดไปสวดไปเนี่ยใจมันไปไหนไม่รู้แล้วแล้วก็ปล่อยใจลอยตะพื้ตะพืออย่างนี้เรียกว่าให้อาหารกับตัวหลงทั้งทั้งที่อากับกิริยา ดูเหมือนว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมบางทียกมือสร้างจังหวะนี่เราก็ตั้งใจจะให้อาหารตัวรู้นะยกมือก็รู้นะเดินจงกรมเราก็ตั้งใจว่าจะให้อาหารตัวรู้ให้มันรู้เยอะๆรู้บ่อยๆแต่เป็นไงไอตัวหลงมันก็เข้ามาฉวยโอกาส เดินก็ไม่รู้ว่าเดินใจลอยนะยกมือสร้างจังหวะก็ใจลอยนะมันฉลาดนะตัวตัวหลงเนี่ยนะฉลาดมากมันเฉยโอกาสตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ถ้าเราเผลอนะเช่นเรารักษาศีล น, นะบางทีตัวหลงมันก็มาหลอกเราว่าฉันเป็นคนดีนะ ฉันเป็นคนมีศีล น, นะฉันศีลสิบ น, นะฉันดีกว่าศีลแปดนะหรือถ้าถือศีลแปดก็ฉันดีกว่าศีลห้านะอันนี้ก็ตัวหลงนะมันตัวหลงมันโจกอากาศแอบอ้างเอาความดีที่เราทำเนี่ยมาเป็นอาหารให้มันนะความดีที่เราทำไม่ว่าจะเป็นศีล ไม่อาจจะเป็นทานเผื่อเมื่อไหร่นี่มันเอาไปใช้นะเอาไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวมันคนที่ให้ทานบ่อยๆก็บางทีก็หลงว่าฉันเนี่ยเป็นคนมีนะมีน้ำใจฉันเป็นคนใจบุญนะหรือแม้แต่มาภาวนามาปฏิบัติเนี่ยไอปฏิบัตินี่เป็นของดีนะแต่ว่าถ้าไม่ระวัง ไอ้ตัวหลงก็เอาความเพียรที่เราทํำนี่แหละไปเป็นอาหารเลี้ยงมันฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะก็จะรู้สึกว่าฉันเนี่ยสูงกว่าฉันดีกว่าฉันเด่นกว่าคนที่เขาอยู่บ้านนอ่าเนี่ยต้องระวังการให้อาหารตัวหลงเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าไปดูหนังฟังเพลง ไปกินเหล้าเมายานะอันนั้นมันเป็นการให้อาหารตัวหลงที่ชัดเจนมากหรือการไปทะเลาะบออแว้งคนนั่นคนนี้นะเขาด่าชั้นชั้นด่ากลับนะอันนี้ก็เป็นการให้อาหารตัวหลงแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นนะเรามาทำความดีไม่ว่าที่วัดหรือที่ไหนก็ตามไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยมันก็อาจจะใช้เป็น ถูกใช้เป็นอาหารนะเลี้ยงบำรุงตัวหลงได้เราต้องระวังนะสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยไม่พลาดท่าเสียทีตัวหลงเนี่ยก็คือการมีสตินะมีสติคอยนะคอยหมั่นตามดูรู้ทันเวลาใจมันกระเพื่อมเวลาใจมันไม่ปกตินะ ชสติของเราเนี่ยมันดีพอนะมันจะส่งสัญญาณบอกว่าเออตอนนี้นี่เรากําลังโดนตัวหลงมันเล่นงานแล้วเพราะตัวหลงเนี่ยมันจริงมีลักษณะ น, นะที่ทําให้ใจไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามฟูก็ตามแฟบก็ตามให้การเจริญสติเมันทำให้เรานะรู้ทันตัวหลง สตินี่แหละมันก็จะเป็นอาหารเลี้ยงตัวรู้นะให้เจริญ ง, งอกงามเพราะว่าพอมันมีความหลงหรือความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะที่แรกจิตมันก็ลอยไปตามอำนาจของความคิดและความหลงนั้นนะแต่พอมีสติปุ๊บรู้ตัวมันรู้ทันนะมันเห็น ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นจิตมันก็ถอนออกมาจากจิตที่หลงไปในอดีตบัง่งลอยไปอนาคตบัง่งมันก็กลับออกมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอิสระนะใจเป็นอิสระอิสระจากอะไรอิสระจากความหลงและอิสระจากความทุกข์พอถ้ า, ลาหลงเมื่อไหร่มันก็ ทุกง่ายแล้วก็ทุกทันทีก็ว่าดได้ที่จริงเนี่ยนะถ้าเราเนี่ยมีความรู้สึกตัวนะไอความทุกข์นี่มันมาเล่นงานไม่ได้นะอาจจะทุกข์กายนะอันนี้เราห้ามไม่ได้เช่นนั่งไปนานๆมันก็เมื่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงความทุกข์ใจเนี่ยนะไอความความทุกข์ใจเนี่ยมันจะเข้ามาเล่นงานเราไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ตัวคนเราทุกข์ใจเพราะไม่รู้ตัวนะเพราะหลงนะเช่นหลงเข้าไปในความคิดความคิดมันปรุงแต่งคิดลบคิดร้ายกับคนรอบข้างหรือว่าคิดปรุงแต่งไปในเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงแต่คิดไปแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องร้าย คนที่ชอบคิดมากเนี่ยเราก็จะมีความวิตกกังวลสูงถามว่าคิดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องอนาคตเนะ่คิดว่าเราไม่ได้คิดในทางที่ดีคิดในทางลบนะจะทําอะไรก็เกิดความวิตกว่ามันจะมีปัญหาอย่างงดมันจะมีปัญหาอย่างนี้มันจะมีคนมาขัดขวางหรือว่ามันจะไม่สําเร็จเนะี่ยพอคิดไปงี้ยก็วิตกแล้วจะไปสอบก็ คิดลวงหน้าไปแล้วว่าอาจจะสอบไม่ได้แต่ถ้าสอบไม่ได้จะเป็นอย่างไรเนี่ยเนี่ยคิดไปแล้วบางทีก็คิดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะปีหน้าเนีมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่คิดไปแล้วว่าโอมันมันคงแย่แน่แนะ่นะก็เลยเกิดความวิตกกังวลไอ้ทุกข์เลยนะเนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะหลงหลงก็ไปในความคิดอันนี้หลงก็ไปในความคิดเกี่ยวกับอนาคต แต่ส่วนใหญ่นะก็คิดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วความสูญเสียในอดีตความผิดพลาดที่ผ่านมาการถูกรังแกถูกหักหลังหรือว่ามีคนนอกใจผ่านไปแล้วเป็นเดือนอาจจะเป็นปีแต่ใจมันก็ยังหวนคิดไปถึงเหตุการณ์นั้นๆ เกิดอะไรขึ้นเกิดความเศร้าเกิดความแค้นพอเกิดขึ้นแล้ทุกข์ไหมทุกข์เลยนะอย่างนั้นอยๆก็ทุกข์ใจอันนี้เราว่าทุกข์เพราะหลงนะหลงหลงก็ไปในความคิดแล้วพอมีอารมณ์เกิดขึ้นก็หลงก็ไปในอารมณ์ทีแรกมันคิดก่อนนะพอคิดเรื่องก็เกิดอารมณ์ตามมาคิดเรื่องอดีตก็เกิดความเศร้าหรือบางทีเกิดความแค้น ถ้าไม่รู้ตัวนะมันก็จะหลงเข้าไปในอารมณ์นั่นแหละแล้วก็ทุกข์บางทีคิดเรื่องอนาคตแล้วก็เกิดความกังวลหนักใจอ่าอันนี้ก็เกิดความเครียดขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะหลง <c oughs> แต่ถ้าเรารู้ตัวเนี่ยนะมันหลุดออกมาเลยนะจากอดีตจากอนาคตมันหลุดออกจากอารมณ์ <c oughs> เรียกว่าสลัดก็ได้ ที่จริงอารมณ์พวกนี้หรือความคิดที่เป็นลบพวกนี้มันอยู่ได้เพราะความหลงเพราะเราไม่รู้ตัวนะมันมีความหลงเนี่ยเป็นอาหารนะแต่พอเรารู้ ร, รู้รู้ตัวขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ไอตัวหลงมันก็หายไปไอความทุกข์ที่เกิดจากความหลงมันก็อยู่ไม่ได้ เพื่อนการรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์เนี่ยสำคัญมากแต่ว่านักปฏิบัติบางคนเนี่ยบางทีเขาก็สงสัยนะเอ๊ะฉันก็รู้นะมากโกรธแต่ทาไมไ ม, ไม่หายโกรธสักทีฉันก็รู้ว่าฟุ้งนะฟุ้งเยอะด้วยนะแต่ว่าทำไมไมันไม่หายฟุง้งบางทีก็เป็นทุกข์มากขึ้นนะไอ้ตอนไม่ปฏิบัติตนี่ ไม่เคยมีปัญหาเลยนะเรื่องความฟุ้งก่อนมาปฏิบัตินี่ฟุ้งเยอะก็ไม่เคยเป็นทุกข์นะแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยนะอาจจะฟุ้งน้อยกว่าที่เคยเคยเป็นด้วยแต่ทำไมเป็นทุกข์ละก็เพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ชอบความฟุ้งพอมาปฏิบัติเนี่ยนะมันจะมีความอยากสงบอยากสงบเนี่ยทาให้เรามาปฏิบัติ พออยากสงบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ชอบความฟุง้งไอ้ความฟุ้งที่เคยเกิดแต่ก่อนก็เกิดขึ้นมากมายหลายครั้งไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอมาปฏิบัติแล้วเพราะฟุ้งที่ไรเนี่ยก็เป็นทุกทุกทีพอแหละเพราะใจไม่ชอบมันมีความรู้สึกลบมันมีความรู้สึกยินร้ายเราก็ต้องรู้ทันความรู้สึกนี้เลยนะ ไม่ใช่แต่รู้ทันว่าใจมันฟุง้งหรือเห็นความฟุ้งนะเท่านั้นไม่พอมันต้องเห็นรู้ทันความรู้สึกที่เป็นลบที่ไม่ชอบความฟุ้งด้วยนะอันนี้นักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมามาใส่ใจเรื่องนี้ รู้ว่าโกรธนะแต่ว่าไม่ได้เห็นว่าใจเนี่ยมันรู้สึกรลบกับความโกรธพอใจไม่รู้สึกรล บ, กบความโกรธนะมันก็ทุกเลยนะแล้วก็พอรู้สึกลบมันก็พยายามไปพยายามกดข่มมันนะไอตอนที่ไปพยายามกดข่มเนี่ยนะมันก็เรียกว่าหลงแล้วนะหลงนี่มีสองแบบ น, นะคือหลงตามตะพึ่ตะพื อ, พอกับหลงต่อต้านหลงต่อสู้นะมันก็หลงเหมือนกัน ถ้ารู้ตัวเนี่ยหรือมีสตินะมันแค่รู้เฉยๆนะมันไม่มีอาการเครื่มคล้อยนะเวลาเจออารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินใจแล้วมันก็ไม่มีอาการต่อต้านผักใสหรือต่อสู้เวลาเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนะนักปฏิบัตินี่ต้องฉลาดนะต้องไวในการที่จะเห็นใจที่มันรู้สึกรบ ใจที่มันยินที่มันยินร้ายกับอารมณ์ต่างๆให้รู้ว่าตอนนั้นเราหลงไปแล้วนะมันหลงสองชั้นเลยนะที่แรกก็หลงโกรธร็่แล้วก็หลงผลใสก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยเวลาโกรธมันก็หลงโกรธนะนี่หลงครั้งที่หนึ่งหลงครั้งที่สองหลงตามความโกรธความโกรธมันสั่งให้ด่าก็ดา่าความโกรธมันสั่งให้ทำลายเข้าขวางก็ทำนะ ทีแรกหลงโกรธก่อนแล้วทีหลังที่สองเนี่ยหลงทำตามความโกรธแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะหลงอีกแบบหนึ่งนะทีแรกก็หลงโกรธเสร็จแล้วก็หลงต่อต้านความโกรธไปต่อแล้วต่อเทียงไปต่อสู้กับมันนะมันเมือนก็นักมวยนะนักมวยเนี่ยก็อยากจะไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้แต่ว่าสู้ไปสู้มามันมันเมาหมัด ก็เลยเข้าไปคลุกวงในนะก็เลยโดนเขาอัดโดนเขาต่อยหนักขึ้นเพราะว่ามันอยากจะเข้าไปพิชิตอยากจะไปะเผด็จศึกนะอยากเผด็จศึกคู่ต่อสู้ยุ่งคู่ต่อสู้เนี่ยมาต่อยทําให้เจ็บปวดหรือมาด่านะด่ากลางเวทีว่าหน้ามืดนะเข้าไปปลายเข้าไปต่อยเนะี่ยกลับเสร็จกับพลาท่าเสียทีอันนี้เพราะหลงนะหลงไม่รู้ทันอุบาย ของคู่ต่อสู้ความกลววก็เป็นอย่างนี้นะมันก็รอให้ให้เราเนี่ยเข้าไปสู้รบตบมือกับมันนั่นแหละเป็นวิธีการให้อาหารมันเป็นวิธีการให้อาหารตัวหลงเป็นวิธีการให้อาหารไอหมาป่านะสิ่งที่คนทำก็คือเออแค่ดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยนะเวลาเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะ แทนที่จะโอ้ยนะหลวงพ่อมาสังเกตบอกว่าให้ให้ทําอีกแบบนึงคืออืมอืมไม่ต้องโอ้ยนะแต่อืมโอ้ยนั้นแปลว่าไม่ชอบนะเช่นมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมากเยอะๆก็โอ้ยทําไมมันเยอะเหลือเกินมีความเครียดเกิดขึ้นโอ้ยทําไมมันมีความเครียดเยอะเหลือเกินะ อันนั้นไม่ใช่นะวิธีการของนักภาวนาวิธีการนักภาวนาคือว่าอืมอืมคือดูมันเฉยเฉยนะโอ้ยก็อืมนี่นะมันต่างกันนะอ่าเวลาใจเนี่ยมันมันจะพยายามไปกดข่มความโกรธนะให้รู้ว่านเนี่ยนั่นอนะเรากลังไปให้อาหารมันละกำลัลงให้อาหารตัวหลงตัวโกรธเราแค่ วางใจเป็นกลางเฉยๆนะรู้ซื่อๆแทนที่จะโอยก็อืดูมันไปนะอันนี้คือการให้อาหารตัวรู้นะแล้วตัวรู้เนี่ยมันก็จะไปไปขับไล่ไอตัวหลงเองเหมือนกับว่าเติมน้ำดีเข้าไปน้ำดีมันก็ไปไล่น้ำเสียออกไปจากขู่นะเหมือนกับว่าพอเราจุดไฟเนี่ยจุดไฟหรือจุดเทียนนะ มันความสว่างก็ไปไล่ความมืดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะาพยายามให้อาหารตัวรู้อยู่เรื่อยๆนะเราก็ต้องคอยระมัดระวังนะว่าไอสิ่งที่เราทําเนี่ยนะถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะไปให้อาหารตัวหลงได้สติมันแปลว่าปกติถ้าใจกับเพื่มใจรู้สึกลบนะ หรือไม่แต่รู้สึกบวกเรียกว่ายินดียินร้ายเนี่ยชอบชังเนี่ยอันนี้มันมันไม่ใช่ความปกติแล้วให้กลับมารักษาใจใเป็นปกติเจออารมณ์ที่น่าพึงพอใจเช่นเสียงเพลงที่ไพเราะอาหารที่อร่อยนะมันยินดีขึ้นมาก็รู้รู้แล้วก็กลับมาเป็นปกติเจออาหารที่ไม่อร่อยเพ็เสียงดังหรือความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ไม่ยินร้ายก็แค่ดูมันเฉย อันนี้เรเป็นผู้ดูนะผู้ดูนะไม่ใช่เป็นผู้ผู้เล่นเหมือนกับเราดูละครแล้วก็ดูละครผู้ร้ายเข้ามาขึ้นเวทีเราก็รู้เราก็ดูเฉยๆนะไม่ต้องไปโหฮาตัวอิจฉาหรือตัวผู้ร้ายนะคนที่ดูละครหลายคนนี่พอผู้ร้ายขึ้นเวทีก็โหฮานะบางทีก็คว้างของใส่ตัวอิจฉา แต่เวลาตัวเอกนางเอกมาก็โอ้ยดีใจตบมือเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เป็นวิสัยของอนักปฏิบัตินักปฏิบัตินี่ก็แค่แค่ดูมันเฉยเฉยตัวร้ายตัวเอกขึ้นเวทีก็แค่ดูมันเฉยเฉยดูมันก็สังเกตมันแค่นี้แหละนะเราเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้เล่นนะหรือว่าไม่ใช่เข้าไปเป็นคำนิยมกับท่านนี้นะกราบพระ